ลำดับนี้จะได้วิสัชนาในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจสืบต่อไปดำเนินความว่าพระขวาองสมเด็จพระมหากรุณาที่คุณเจ้าเมื่อพระองค์จะโปรดประธานพระสัตว ธ, ธรรมเทศนาในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจึงตรัสเป็นกเทตุ ก, การมยตาปุชาว่า ะะตัะัตตมังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนพิขูทั้งหลายคนทางปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงซึ่งดับทุกข์ให้สาเร็จซึ่งพระนิพพานสุขนั้นอันเป็นความสัตย์ความจริงแห่งพระอริ ย, ยเจ้าโดยแท้นั้นจะเป็นประการใดพระพุทธองค์ตรัสบูชาชนี้แล้วจึงตรัสวิสัชนาด้วยพระองค์เองเล่า ว, ว่า อายะเมวะอริโยอัฏฐังคิโกดูก่อนพิขูทั้งหลายผลทางธรรมปฏิบัติคือพระอัฏฐังคิกรรมักอันประกอบไปด้วยองค์8ปดประการนี้อาจจะดับทุกได้ให้สําเร็จแก่พระนิพพานเป็นความสัตย์ของพระอริยเจ้าเป็นแท้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าเป็นประธานนั้น ท่านย่อมปฏิบัติดำเนินตามหนทางพระอัสดางคิกามาร์นี้ทุกๆพระองค์เหตุว่าพระอัสดางคิกามาร์นี้หรือพระอัฏฐังคิกมาร์นี้เป็นที่เผาผลาญเสียซึ่งราคะที่กิเลสและให้สาเร็จซึ่งมรรคขยานผลลยานและพระนิพพานเป็นปริโยสารที่สุดประการหนึ่งพระอัฏฐังคิกมารนี้ ไกลจากข้าศึกคือกิเลสดุจพระยาจักกพัทตาราธิราชอันไกลจักรินราชปัจจามิตรทั้งปวงประการหนึ่งพระอัฏฐังคิกมมรรคนี้เป็นที่ไหลามาเป็นที่ประชุมแห่งโพธิปัคคียธรรม37ประการดุจ ด, ดังพระมหาสมุทอันเป็นที่ไหลามาเป็นที่ประชุมแห่งแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งปวง ประการหนึ่งพระอัฏฐังกิกรรมนี้เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงดุดดังดวงแก้วมณีในยอดแห่งเวทยันตประสาสตของสมเด็จพระอมรินทาราทิราชในดาวดึงสพิภพนั้นประการหนึ่งพระอัฏฐังกิกรรมนี้ย่อมให้สำเร็จความปรารถนาแก่เทพมนุษย์อันเป็นพุทธเวในย ดุดดังแก้วมณีโชตแปดเหลี่ยมอันใหญ่ให้สำเร็จความปรารถนาแก่พระยาจักรพัตราธิราชประการหนึ่งพระอัดฐังกิกรรมักแปประการนี้ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติตามแล้วบุคคลผู้นั้นจะรุ่งเรืองกว่าเทพมนุษย์ดุดพระยากุศราชอันมีรูปชั่วและได้แก้วมาแต่สำนักสมเด็จอมรินธราธิราช พระยากุสราชนั้นก็มีรูปโฉมอันงามโสภาขึ้นในถ้ำกลางแห่งสตรีทั้งปวงด้วยสิริสวัสดิ์แห่งแก้วนั้นอีกประการหนึ่งเวชยันตรถของสมเด็จอมรินทราทิราชนั้นเป็นรถอันประเสริฐบังเกิดด้วยอำนาจผลแห่งกุศลที่พระอินทร์ได้สร้างสมอบรมมาแต่ชาติปางก่อนและเวชยันตรถนั้นเทียมด้วยม้าสินทพันหนึ่ง มีพระมาตลีเป็นนายสารถีเท้าโกสีอมรินนั้นย่อมขี่ขับไปผจญด้วยหมู่อสุรค่าศึกทั้งปวงให้ปราชัยพ่ายแพ้แล้วก็ลีลากลับมาให้สมเด็จอมรินทราทิราชนั้นสเสด็จขึ้นเวชยันตาพิมานฉันใดก็ดีพระอัดทังคิกมารกนี้ก็เป็นรถอันประเสริฐประดับด้วยโพธิปัจคิยธรรม37ประการ เป็นยศบริวารพระอาริยสัตบุรุษทั้งปวงขึ้นขี่ขับคือปฏิบัติตามแล้วการใดก็ย่อมชักพาพระอาริยสัตบุรุษเหล่านั้นให้ไปผจญเสียซึ่งหมู่มานคือตัณหาและราคาที่กิเลสเป็นต้นให้ปราชัยพ่ายแพ้พินาศในการนั้นแล้วให้ขึ้นปรางค์ร้าพราศาสราคือพระอมตามหานครนรพานอันเป็นที่เกษมสารปราศจากชาติทุกข์ สราทุกพยาที่ทุกและมรณทุก์เป็นเอกันต์บรมสุขแท้ก็มีอุปมาดังเวทยันตรสนั้นอีกประการหนึ่งเวชยันตรสนั้นมีอุปการะช่วยอุปธรรมพนาการแก่พระอินได้แต่องค์เดียวพระอัฏฐางกิกรมกรมรสนี้อุดมล้ำเลิศกว่าเวทยันตรสนั้นเป็นอันมาก แม้บุคคลทั้งหลายสักร้อยพันหมื่นแนก็ดีถ้าแม้มีความปรารถนาจะไปสู่เมืองแก้วอันกล่าวแล้วคือพระนิพพานพระอัฏถังคิกมมกรถ8ประการนี้ก็อาจจะรื้อขนบุคคลเหล่านั้นไปให้ถึงเมืองพระนิพพานจนสิ้นหมดได้ไม่เฉพาะบุคคลผู้ใดเลยพระอัฏถังคิกมมกรถนี้มีคุณูปการอันล้ำเลิศประเสริฐกว่าเวชยันตรถ เห็นปานชนีอีกประการหนึ่งสาธุชนทั้งหลายบรรดาที่มีสมภารอันได้สร้างสมบำเพนมามากแล้วและได้ตรัสรู้พระจัตุราริยสัตทั้งสี่พระอัฏทังคิกมรรมรถนี้ก็ย่อมขนพาสาธุชนทั้งหลายนั้นไปให้ถึงเมืองนิพพานประมาณขนาจิตก็จะลุถึง ดุดยกขึ้นพ้นแผ่นปัตภีแล้วให้ประดิษฐานอยู่เหนือ ย, ยอดเขาพระสุเมรุราชก็เหมือนกันอีกประการหนึ่งพระอัฏฐังคิกมามคนี้มีเขรู้ว่านาดุดสมเภาอันใหญ่แล่นไปในมหาสมุทรและยังหมู่พาณิชย์ทั้งหลายให้ถึงท่าจอดอันชื่อว่ากุสาวดีนั้นก็เหมือนกันพาณิชย์พ่อค้าทั้งหลาย ได้ความเกษมสันเปรมปรีดาปราโมทตรัศจากภัยฉันใดก็ดีสาธุชนทั้งหลายครั้นถึงเมืองพระนิพพานแล้วก็เปรมปรีดาปราโมทเหมือนกันฉันนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าจึงตรัสปุตชาว่าเสยธีทังพระอัฏทังกิกรรมักแประการนั้นคือสิ่งอันใดบ้าง จึงตรัสวิสัญนาว่าพระอัฏฐานกิกรรมักแประการนั้นคือสัมมาทิฏฐิประการหนึ 1, ่งสัมมาสังกปโปประการหนึ่งสัมมากัมมันโตประการหนึ่งสัมมาวาจาประการหนึ่งสัมมาอาชิวประการหนึ่งสัมมาวายโมประการหนึ่งสัมมาสติประการหนึ่งสัมมาสมาธิประการหนึ่งเป็น8ประการด้วยกันชะนี้ โดยอุเทสวรัน์หมายเหตุอุเทศตามศัพท์แปลว่าการยกขึ้นแสดงข้อที่ยกขึ้นแสดงหัวข้อบทตั้งความที่เป็นหลักส่วนคำว่านิเทศคือคำชี้แจงอธิบายคำแสดงความหมายคำขไขขยายความ ในนิเทศวานนั้นตรัสว่าองค์แห่งอริยมรรคชื่อว่าสัมาธิถฐินั้นเป็นประการใดตรัสบุดชาชนี้แล้วก็ตรัสวิสัชนาว่าสัมาธิถฐินั้นได้แก่ปัญญาเจตสิกที่กล้าหารห่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แลรู้ไปในทุกขสัตว์รู้ไปในทุกขสมุทัยสัตว์รู้แท้ในทุกขานิโรธสัตว์ รู้แท้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วและปฏิบัติทอนเสียซึ่งอวิชชาและตัณหานั้นเรียกชื่อว่าสัมาทิทฐิเป็นองค์แห่งพระอริยมรรคเป็นปฐมองค์แห่งอริยมรรคที่สองชื่อว่าสัมมาสังกัโปนั้นจะเป็นประการใดเล่า สัมมาสังกปัปปนั้นได้แก่วิตกเจตสิกซึ่งดัมริตรีตรองไปในที่จะบำเพ็ญทานรักษาศีลจำเริญภาวนาในอสุภะกรรมฐานก็ดีดัริไปในที่อันมิได้พยาบาทอาฆาตจองเวรแก่กันก็ดีดัริไปในที่จะจำเริญจตุพรหมมิหารมีเมตตาเป็นต้นนั้นก็ดี ดำริไปในที่มิได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงนั้นก็ดีดำริตรีตรองสามประการนี้ตถาคตตรัสเทศนาชื่อว่าสัมมาสังกปเป็นองค์แห่งอริยมรรคคำรบสององค์แห่งอริยมรรคคำรบสามคือสัมมาวาจานั้นเป็นประการใดเล่า อริยมักคำรบสามคือสัมมาวาจานั้นได้แก่วจีสุจริตสีประการมุสาวาทาเวรามณีเว้นจากมุสาวาตโกหกมายาล่อลวงสับปลับให้ท่านเสียทรัพย์สิ่งสินปเปสุญญาวาจาเวรามณีเว้นจากเปสุญญาวาจาส่อเสียดท่านให้ได้ความเดือดร้อนใจให้ได้ความชิบหาย ให้ดิความเคืองแค้นขัดใจพระรสวาจาเวรมณีเว้นจากถ้อยคำพระรูสวาดกล่าววาจาหยาบหยามสมภับปลาปะวาจาเวรมณีเว้นจากสัมภับปลาปะวาดกล่าวคำตลกขนองเป็นต้นวจีสุจริตสีประการนั้นซส่ ตถาคตรสเทศนาชื่อว่าสัมมาวาจาจัดเป็นองค์อริยมรรคคำรบสามอริยมรรคคำรบสี่คือสัมมากัมมันโตนั้นเป็นดังหรือเล่าองค์อริยมรรคคำรบสี่คือสัมมากัมมันโตนั้นได้แก่กายสุจริตสามประการปานาติปาตาเวรมณี คือเว้นจากปานาธิบาิข่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายก็ดีอธินนาธานาเวรมณีคือเว้นจากอธินนาทานลอบลักทรัพย์ของผู้อื่นอันมิได้อนุญาตให้นั้นก็ดีกามสุมิชฌ า, าราเวรมณีคือเว้นจากกามสุมิชฌาจารประพฤติล่วงประเพณีด้วยภริยาแห่งท่านผู้อื่น มีได้ชอบทำนั้นก็ดีกายสุจริตสามประการนี้ตถาคตรัสเทศนาชื่อว่าสัมมากัมมันโตเป็นองค์แห่งอริยมรรคคำรบสี่องค์อริยมรรคคำรบห้าคือสัมมาอาชีวนั้นจะเป็นดังหรือเล่าตรัสปุชาานี้แล้วก็ตรัสวิสัชนาว่า อิทอริยาสาวโกมิจฉาอาชีวะปหายะสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกัปเปติพระอริยาสาวกในพระบวรพุทธศาสนานี้ปฏิบัติลาเสียซึ่งมิจฉาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตไม่ได้ชอบธรรมประกอบด้วยอเนสนามีชังค้าปรเสระและเวชกรรมเป็นอาทิและตั้งอยู่ในสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมนั้นเป็นที่สรรเสริญแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นตถาคตตรัสเรียกชื่อว่าสัมมาอาชีโวเป็นองค์แห่งพระอริยมรรคมรบห้าองค์แห่งอริยมรรคมรบหคือสัมมาวายามโนั้นจะได้แก่สิ่งอันใดเล่าอาริยมรรคมรบหคือสัมมาวายามโนั้น ได้แก่ส ม, มประทานวิริยะสีประการอุปนานังอากุศลานังธัมมานังปหานายะคือพระอริยาสาวกในพระบวรพุทธศาสนาประกอบด้วยวิริยาภาพเพื่อจะละเสียซึ่งการอากุศลอันเกิดขึ้นแล้วนั้นให้ขาดจากสันดานประการหนึ่ง อนุปนานังอากุศลานังธรร ม, มานังอนุปัทานะคือภาคเพียรเพื่อจะขจัดเสียซึ่งการอากุศลทั้งหลายที่ยังมิได้บังเกิดนั้นมิให้บังเกิดขึ้นได้อุตสาภาคเพียรขจัดเสียให้ไกลาจากสันดานประการหนึ่งอนุปนานังกุศลานังบรรดากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังมิได้บังเกิดขึ้นนั้น อุตสาหภาคเพียนพยายามให้เกิดขึ้นในสันดานให้จงได้ประการหนึ่งอุป น, นันนางแต่บรรดากองการกุศลที่บังเกิดเล่านั้นอย่าให้เสื่อมสูญอย่าให้ถอยเสียให้จำเริญขึ้นไปอุตสาหภาคเพียนให้ถาวนวัฒนาขึ้นในสันดานให้จงได้ประการหนึ่งส ม, มประทานวิริยะสีประการนี้เป็นที่สรรเสริญแห่งพระอริยะเจ้า ตถาคตรัสเรียกชื่อว่าสัมมาวายาโม О เป็นองค์แห่งพระอริยมรรคมรบหองค์อริยมรรคมรบเจ็ 7, คือสัมมาสตินั้นจะเป็นดังรือเล่าจะได้แก่สิ่งใดอริยมรรคมรบเจ็ 7, คือสัมมาสตินั้นได้แก่สติปฐานทั้งสี่ประการ คือกายานุปัสนาสติปทานประการหนึ่งเวทนานุปัสนาสติปทานประการหนึ่งจิตตานุปัสนาสติปทานประการหนึ่งธรรมานุปัสนาสติปทานประการหนึ่งเป็นสี่ประการด้วยกันอธิบายว่าสติตั้งลงในรูปประคันเอารูปประคันเป็นอารมณ์พิจารณารูปประคันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา นั่นแหละได้ชื่อว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งลงในเวทนาขันเอาเวทนาขันเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนาขันโดยอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นได้ชื่อว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งลงในวิญญาณขันเอาวิญญาณขันเป็นอารมณ์ พิจารณาวิญญาณขันธ์โดยอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นได้ชื่อว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งลงในสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เป็นอารมณ์พิจารณาสัญญาขันธ์สังขารขันธ์โดยอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นได้ชื่อว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรูปขันธ์นั้น เป็นที่ตั้งแห่งกายานุปัสนาสติปทานเวทนาขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานุปัสนาสติปทานวิญญาณขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งจิตตานุปัสนาสติปทานสัญญาขันและสังขารขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งธรมานุปัสนาสติปทานอธิฐานะอสัตถานาทีนิวิยา เปรียบดุดประเทศที่ชัยภูมิอันเป็นที่ตั้งแห่งเสนาช้างเสนามมาเสนาบดจรเดินเท้าทั้งปวงอธิบายว่าสมเด็จบรมกษัต ร, ริราธิราชผู้ปรารถนาจะกระทำการสรงครามต่อยุติด้วยหมู่อรินทราชนั้นเมื่อได้ประเทศที่ชัยภูมิอันดีตั้งจัตุรงคเสนาพลทั้งสี่ลงไว้ในที่ชัยภูมิแล้วก็อาจจะรุกโรมโทมทั หักโหมย่ำยีกระโจมตีมูอรินราชให้พ่ายแพ้พี่นาฏราชัยเสรยถาอันนี้แหละมีอุปมาชั้นใดพระมหากษัตริย์กล่าวคือพระโยคาวจรกุลบุตรผู้ปรารถนาจะต่อสู้ยุทธนาการชิงชัยด้วยกิเลสสงครามนั้นก็พึงตั้งพลขันทั้งสี่เหล่าคือพลช้างพลมา้าพลราชรถพลบทจรเดือนเทา้า กล่าวคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานธรมมานุปัสนาสติปัฏฐานลงในประเทศที่ชยภูมิกล่าวคือรู ป, ปรขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ต่อตีประจันกับด้วยกิเลสแมนอากรานล้างผ่านหมู่กิเลสแมน ให้ปราชัยพ่ายแพ้พินาศไม่ให้ตั้งอยู่ได้มีอุปมาเหมือนดังนั้นบัณฑิตผู้ปรีชาพึงสันนิฐานเถิดว่าสติสิ่งเดียวเท่านั้นและจำแนกออกไปเป็นสติประธานถึงสี่ประการด้วยสามารถถือเอาอารมณ์ต่างๆกันเป็นหนทางดำเนินแห่งพระอริยเจ้าตัสมาเหตุดังนั้นแหละ สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาว่ากิริยาที่พระโยคาพระจรกุลบุตรตั้งสติเป็นสี่สถานนี้เรียกชื่อว่าสัมมาสติตัทกัตโมสัมมาสมาธิพระอริยมรรคชื่อว่าสัมมาสมาธินั้นจะเป็นดังรือเล่าจะได้แก่สิ่งดังรือ ตรัสุูชาชนีแล้วจึงวิสัชนาว่าพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนานี้ยังจิตให้สงัดจากกิเลสกรรมและพัสดุกรรมแล้วและเข้าปฐมฌานทุติยฌานตฏิยฌานจตุตัตถฌานด้วยสมาธิจิตมีในฌานทั้งสีนั่นแหละตถาคตเรียกชื่อว่าสัมมาสมาธิอธิบายว่า ชาญนั้นจัดเป็นสองอย่างเป็นจตุกข์กนัยอย่างหนึ่งเป็นปัญจกนัยอย่างหนึ่งในจตุกข์กนัยนั้นว่าด้วยชาญสี่คือปฐมชาญประการหนึ่งทุติยาชาญประการหนึ่งตติยาชาญประการหนึ่งจตุทชาญประการหนึ่งเป็นสประการด้วยกันชนี้เมื่อจัดองค์ในจตุกข์กนัยนั้นปฐมชาญมีองค์ห้า คือวิตกหนึ่งวิจารหนึ่งปีติหนึ่งสุขหนึ่งเอกคตาหนึ่งเป็นหประการด้วยกันครั้นถึงทุติยาชานั้นมีองค์สามคือปีติหนึ่งสุขหนึ่งเอกคตาหนึ่งครั้นถึงตติยาชานมีองค์สองคือสุขประการหนึ่งเอกคตาประการหนึ่ง ครั้นถึงจตุธาชานมีองค์สองคือเอกคตาประการหนึ่งอุเบกขาประการหนึ่งอันนี้จัดโดยจดตุกไกนถ้าจัดจัดโดยปัญจกาในนั้นปฐมฌานมีองค์ห้าประการเหมือนกันกับจตุกไนต่างกันแต่ทุติยฌานและจตุธาชฌานทุติยฌานข้างจตุกันนั้นเว้นมีตกและวิจาร ทุติยชานข้างปัญจการในนั้นเว้นแต่วิตกสิ่งเดียวทุติยชาญข้างปัญจการในนั้นมีองค์สี่ประการคือวิจารณ์ประการหนึ่งปีติประการหนึ่งสุขประการหนึ่งเอกคัตตาประการหนึ่งครั้นถึงตติยชาญมีองค์สามคือปีติประการหนึ่งสุขประการหนึ่งเอกคัตตาประการหนึ่ง ครันถึงจตุถัชฌานมีองค์สองคือสุประการหนึ่งเอกักตาประการหนึ่งครั้นถึงปัญจมาฌานมีองค์สองคือเอกักตาประการหนึ่งอุเบกขาประการหนึ่งว่ามาทั้งนี้จะให้เห็นเอกักตาคือสมาธิจิตนั้นมีอยู่ทุกทุกฌานและสมาธิจิตนั้น ถ้าจะว่าโดยพิสดารมีสามประการคือคณิการสมาธิประการหนึ่งอุปจาราสมาธิประการหนึ่งอัปปนาสมาธิประการหนึ่งเป็นสามประการด้วยกันชนิดคณิการสมาธินั้นได้แก่น้ำจิตแห่งเราท่านทั้งปวงตั้งลงมั่นมีได้มากประมาณขณะจิตหนึ่งชัวช้างปรบหูทีหนึ่ง เท่านั้นก็ได้ชื่อว่าคณิกะสมาธิและอุปจารสมาธินั้นได้แก่น้ำจิตที่ตั้งมั่นลงในที่ใกล้จะได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานปัญชมฌานอยู่แล้วและน้ำจิตตั้งมั่นลงนั้นได้ชื่อว่าอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินั้น ได้แก่องค์ฌานมีปฐมฌานเป็นต้นเป็นประธานน้ำจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในฌานทั้งสีนั่นแหละได้ชื่อว่าอัปปนาสมาธินักปราชผููมีปัญญาพึงสันนิฐานเถิดว่าสมาธินี้มีลักษณะกระทำให้น้ำจิตแน่แน่วในอารมณ์เป็นอันเดียวจิตตังนเทติ มีให้จิตนั้นฟุ้งซ่านกระสับกระสายวุ่นวายไปในอารมณ์อันอื่นอันเป็นพาหิระเหตุนั้นสมาธินี้เป็นประธานแ ก, ก, ก่การกุศลทั้งปวงการกุศลทั้งปวงจะสำเร็จแห่งตนได้ก็อาศัยแก่สมาธิจิตนี้สมาธิจิตนี้เป็นที่ประชุมไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งปวงปาราทกุโตวิยะเปรียบประดุดยอดกูตาคานปราสาท อันเป็นที่ประชุมแห่งทัพพะสัมภาระเครื่องไม้ทั้งปวงกูตาสโมสารนาทัพพะสัมภาระทั้งปวงประชุมอยู่ในยอดกูตาคานั้นฉันใดก็ดีกองการกุศลทั้งปวงก็ย่อมประชุมอยู่ในพระสมาธิมีอุปมาเหมือนดังนั้นพึงเข้าใจว่ากองการกุศลทั้งปวงจะมีผลมากนั้นก็อาศัยแกสมาธิจิต ประการหนึ่งภิกขุในพระบวรพุทธศาสนาจะสําเร็จปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุธาฌานปัญจมฌานนั้นก็ย่อมสําเร็จด้วยสมาธิจิตอีกประการหนึ่งพระอริยบุคคลทั้งหลายจะสําเร็จแก่มัรคยานผลญาณและพระนิพพานก็ดีก็อาศัยแก่สมาธิจิต สมาธิจิตนี้เป็นที่สรรเสริญแห่งพระอริยเจ้าทั้งปวงในพระบวรพุทธศาสนาเหตุการณ์ดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาว่าสัมมาสมาธินี้เป็นองค์อริยมรรคมรบแปดด้วยประการชนี